ฟังทากันนุอาชีพของพวกเราออกบวจากเดือนมาแล้วเป็นนกบวชคือนี้ความชั่วมาทําความดีอะไรที่เป็นความชั่วเห็นไหมอะไรที่เป็นความดีเห็นไหม โดยละไม่ความไม่ดีโดยทำแล้วหรื อ, อยังความดีเกิดขึ้นแล้วหรื อ, อยังเราบริโภคกิริยมิตรบาทอยู่เฉยหนาชนะในสอดของคนทั้งหลายหนะ้าที่เป็นอย่างนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ แต่ตัวเองและคนอื่นคือต้องละความชั่วทำความดีจิตบริสุทสธทิ์ละความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์จะจ่ายคุ้มค่าถ้าไม่เช่นนั้นจะเป็นบาปแต่ว่าบวชวิธีที่จะละความชั่วทําความดีคือมีความพร้อม เหมือนกับนกรุปมีความพร้อมนีม่พร้อมปาการมีชัยภูมิที่ดีจนข้าศึกจะไม่โอกาสชนะได้นกรุปที่จะละความชั่วทางความดีต้องมีป้อมปาการคือสติปัาน คืออะไรคือมีสติไปนในกายอยู่เป็นประจำอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจจะมาเป็นความรู้ให้หมดเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นความรู้แม่จะเป็นอาการอะไรเกิดขึ้นมามาเป็นความรู้สักตัว นี่คือการขาวนาบยะปัญญาสร้างปัญญาขณะเดียวกันนั้นก็คือเล่าความชั่วทั้งความดีจิตจะบริสุทธิ์ไปในตัวเสร็จให้มีโอกาสได้อยู่ในป้อมปราการมีสติปะนกายอยู่เป็นประจำ อะไรเกิดขึ้นมาลู่ึกตัวนั่นโอกาสจากนี้หาให้ได้ขวนขวยให้ได้มีการขนขวยตัวใครตัวมันเราก็ให้โอกาสต่อกันและกันเปนเพื่อนเป็นมิตรกันในเรื่องนี้ให้เต็มที่ีาการสนับุนกน อะไรที่เกี่ยวข้องกันก็เพื่ออกานนี่ในสติหรื อ, อยังก็เป็นคำถามสติดีไหมนี่คือตรงเราจึงจะมีโอกาสได้รับความชั่วและความดีเป็นนักปฏิบัติเต็มที่ ปฏิบัติคตอนนี้อะไรเกิดขึ้นกับป้ากับกใจให้ลูกชิดตัวนี่คือเป็นนักปฏิบัติเป็นนักปริยัตโดยลูกโดยลูกได้เห็นประสบการณ์บทเรียนอยากฉริงได้เกิดขึ้ น, นกับป้ากับใจมันมีอยู่อะไรเยอะแยะในใจในใจนี้อาการเกิดกับใจก็มีเยอะแยะ นกากที่เกิดกับใจก็มีเยอะเย่อย่าให้เขาเถือนอย่าให้กายเถื่อนรับใช้ชิงได้ไม่ดีอย่าให้ใจจิตใจเชือนรับท้ายชิงไม่ดีมันจะเป็นนิ้สัยเป็นปัจจัยเป็นจริญไป ชีวิตของเราอยู่ในฐานะแบบไหนที่ผ่านมาปูดนดีเวลานี้ชีวิตขนาดนี้ใช้ชีวิตกันอย่างไรเร่รับใช้อะไรประสบการณ์เรื่องใดที่เป็นความถูกต้องบ้างรวมใจกับการใช้ชีวิตเรื่องใดบ้าง มันมีสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องบางทีเราอาจจะเอาความไม่ถูกต้องตอนเรบความไม่ถูกต้องมากที่สุดก็ได้เดิุโหลานทนว่าลูกคนลักไว้ข้างหลังลูกคนชังไว้ข้างหน้าคนที่ลักไว้ข้างหลังคนที่ชังเอาไว้ข้างหน้า คืออะไรเวลาตาเห็นลูกหัวที่เห็นเสียงเกหมูได้กินเล่นได้ลดอะไรมาก่อนตอนรับปอนมีความพอใจเมื่อพอใจเกิดขึ้นแต่ละคนที่ลักเอาไว้ข้างหน้าถึงความพอใจและความไม่พอใจบางท่านที่เป็นของชังเอาไว้ข้างหน้าของชันไอ้ของไม่ดีออกหน้าออกตา ก็เช่นนั้นว่าหมายลักคือความดีรู้สึกตัวอยู่ข้างหลังโน่นความความดีผัิดปันปะกันพุ่งออนโน่นออนนี้เอาไว้ขีหลังแต่ความไม่ดีต้อนรอบเต็มที่เราเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กินเล่นไ ด, ด้ลดกายสัมผัสใจคิดมีเด้ เวละใช่จริงที่ไม่ดีไม่ถูกต้องจนมันก่อ จ, จะเป็นได้เวลาปฏิบัติอยู่ในป้อมประการเมตสิงเหล่านี้ผ่านมาจะลบไม่หวาดไม่ไหวไม่แม่นยำหลงก็เป็นหลงบอยทุกข์ก็เป็นทุกข์อย เหตก็เป็นผหตไปถูกก็เป็นถูกไปสงบก็ปเป็นสงบบ่อยพุ่งสร้างก็เ ป, ป็นพุ่งสร้างไปเอาไว้อยู่ไม่มีสติเพราะเขาใหญ่กว่าสติน้อ ย, อยเหมือนแมวตัวเล็กหนูตัวย่อยของพเทียนพูดอย่างนี้แมวก็จับไม่อยู่แล้วหนูตัวใหญ่หนูลากไปเป็นความคิดบางความสุขความทุกข์าง ก็กลายเป็นความุกเ mm hmm. ิ่งเป็นความทุกข์เ่งเงจนหน้าดำคมอเคียดถ้าเป็นความฉุกโยิมเยี่ยมเยียมใส่ถ้าเป็นความทุกข์โหน่เหนียวหน้าแห้งหน้าเหนียวหน้าแห้งแล้วมันดึงไปแล้วแล้เจี๊ยรูชึตัวก็ต้องทนกะเสียมาก เพราะไม่เคยฝึกมม่เคยไหลไปทางนั้นืิรของลองม่เคยฝึกก็เคยไหลลวาสันตะติทันทาเลวเมนมมน้าที่ไหลไหลไปอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดไม่ย่างรวหลงมันไหลรวมลูกคือมันหยุด เมื่อมันไหลก็ก็หมดน้ำไหลหยดน้ำไหล ย, ย่อยไหลบ่อยๆน้ำก็ปดเวลาจะใช่ก็ไม่มีเมันหมดไปแล้วมันไหลอยู่บ่อยๆเหมือนเงินใชเล็กใช่น้อยมันก็หมดหน่อยประมาณ เวลาจะใช่ก็ไม่มีส่วนที่จะใช้ได้ก็คือส่วนเหลือส่วนเหลือมีไหมเคยมีเล่นมีดาความดีความถูกต้องลิสติมีไหมรู้สึกระลึกได้หรื อ, อย่างหรือว่าหมดไปแล้วจึงค่อยรู้ตัว ไม่มีใช่เลยความรู้จึกตัวเอาจึงต้องมาเาว้นนานคือเขาย้อนรู้เอาขึ้นมาเอาความรู้ขึ้นมาแทนที่นั้นหลงทีใดเอาความรู้ไปใส่เหมือนเก็บปิดไว้แล้วไม่ใช่แล้วแทนแล้วด้วยความรู้จาความหลงด้วยความประหยัดจากความ จลุยจลอยมันก็เหลือได้เหลือเหมือนก็ซับยิเ่เงินทองลอลบไม่ทีเท่ารอยเหลือยินบ่อยเงินหมดเจนเสือ้อชิ้นวิกไม่เหลือจนเชียยอมเจ็มใช่จ่ายในยอมจําเป็นคือร้อยเหลือซบภายนอกก็อย่างนี้ซบภายในก็อย่างนี้ เวลามันหลงรู้ฉ ก, กตัวนี่มันจะเหลือเวลามันทุกข์รู้ฉกตัวนี่มันจะเหลือได้ใช้เวลามันโกรธรู้ฉ ก, กตัวนี่จะได้เหลือได้ใชยเป็นอริยทรัพย์มีไหมหรืว่าอาพัพถ้าหลงเป็นหลงคนอาภัพเสียแล้วถ้าทุกข์เป็นทุกข์เป็นคนอาภาพเสียแล้ว ไม่รู้ก็เลยไม่มีอาชีพทางกิตวิญญาณไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักชีวิตไม่มีหลักชีวิตเลื่อนลอยมีจิตใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรเหมือนข้ า, ขาตองแหงเหมือนข้าข้าตองแหงบุบเ เบื่อตองแห้งก็ย้ายบ้านไปใหม่ก็เป็นค่าเป็นทาตยคิดว่านั่นจะดีอันนี้จะดีบุญก็คอยชดหน้าก้าตตองก้าตตองแห้งความดีก็พิ่งนี้หวังน้มโบหน้าออกไปถึงก็เป็นน้มร้อนจะแล้วอาบไม่ได้ เป็นน้ำเช็มที่เราดื่มไม่ได้หวังควมไว้ข้างหน้าป่าธนาไว้ข้างหน้าหวังข้างหน้าอะไรก็หวังข้างหน้าเอาไว้หวังเอาไว้ที่หน้าไม่ได้คิดคิดหวังการกระทำไม่มีชีวิตเลื่อนลอยไม่มีหลักไม่แรง ว่าหลักแหลงมันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนใหญ่ใหญ่ในความเป็นอยู่เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในค้อคัวเป็นหลักเป็นแหลงปักหลักปักแหลงสร้างฐานนะะเรามีชีวิตสองส่วนนี่ทั้งกายทั้งจิตใจ เราต้องให้มั่นคงพอทั้งคนต้องสองฝ่ายนี้กายมีใจกายรักษาใจใจรักษาใจใจกษายเองเล่าทั้งสองฝ่ายกําลังทั้งสองส่วนนี้มันก็จะเกิดมากเกิดผลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจรักษาถ้าเราหัดถ้าเราไม่หัดเวลาเจ็บไข้ขได้ป่วยแล้วก็ ทุกช่วยกันไม่เป็นไปทุกใจเลยร่ากายทุกใจทุกุาลาใจทุกกายทุกทก็ไ ม, ม่ประโยชน์ต่อกัอนเป็นอย่างนั้นก็ลงโทษคอยที่จะเจ็บปวดพวกกันและกันเบียดเบียนกันด้วยส่ย้นไป ไม่เป็นอัตถะอัตโนราโถพึ่งไม่ได้เราจึงเป็นเรื่องที่น่ารีบด่วนวเรื่องนี้เตรียมความพร้อมอย่าประมาทมีสติรู้สติให้มากว่า การฝึกสติการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องใช้สมองอะไรไม่ต้องถามอะไรมากคำถามมันไม่มีหรอกเวลาปฏิบัติความถูกความผิดเดี๋ยวรู้เองมันบอกลายมันบอกใจมันบอกไม่สมผัสให้รู้จักตัวเป็นที่ตั้งเป็นเกณฑ์ที่วัด จึงเกิดตอบได้จึงจะเฉลยได้จึงจะเป็นนักปฏิบัติปฏิคือคือปฏิบัติคือโต้ตอบทักท้งวงตรวจสอบวิธีถูกตรวจสอบอยู่เสมอก็ต้องเกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรเกิดขึ้นมาลู่จากตัวนี่คือตรวจสอบมันจะถูกจะผิดมันจะตอบได้ ความถูกความผิดที่เกิดเ ก, กวดมาเกิดใจจะตอบได้ทุกเรื่องมันง่ายเป็นสูตรอยู่แล้วใจก็มีสูตรถูกต้องใจก็มีสูตรถูกต้องเราไปใช่ผวมคิดเหตุผลใดๆหเหตุผลมันเกิดจากการสัมผัสคนจังไปพูดว่าเหตุผลเหตุผลว่าใช่วัตถุข้างนอกเหตุผลมันเกิด เกิดจากน้มัดทำมันจึงเป็นวัตถุคนข่ากันอยก็เพราะเหตุผลม่นเกิดจากภายในก่อนจะศีลเกิดจากภายในก่อนสมาธิเกิดจากภายในก่อนบัญญาเกิดจากภายในก่อนตอ น, นี้เราตอนอรักษาศีลก่องพูดออกมาจากปาก แบบว่าถ้าภายในยังไม่มีอะไรไม่มีความบริมุทธิ์ไม่มีความวมัมม่นคงไม่มีหลักมีแรงแล้วก็วันไหวตลอดเวลามันต้องมีหลักแรงอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ปักหลักเหมือนเสาเขื่อนศีลาผู้เขาเทิงทึบก็มไม่ต้องสะเทือนเพราะลม วนผู้มีสินต้องกิดใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะน้นทาฉลสนั่นจะเป็นสินได้ไม่มีแล้วสินรักษาแล้วจึงรู้จักจว่าตัวเองมีสินพูดได้สีเหลี่ยนะสุขจริงยันติโอมีสินสินรักษาหลายวันแล้วจึงรู้จักว่าโอนี้คือศิน ใส่ใจอย่างแน่วแน่มั่นคงอยู่ทุกอย่างทั้งลดยเฉพาะเรื่องเปินแบบเป็นฉบับทั้งกายทั้งใจตามพรัรนาวินยัยผิดให้เป็นถูกได้ทุกอย่างไม่วินยัยปฏิบัติธรรมทำวินัยอยู่เสมอในสมายที่เป็นปัญญาไปตัวเห็นวนวลหลงรู้ ทุกตัวไม่เป็นผู้หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเนี่ยสินมันเป็นอย่างนี้ด้ามีทุกก็เห็นบนทุกเป็นเป็นผู้ทุกคนอยากทุกนอนมันเป็นอย่างนี้ศินจึงเป็นสิงจึงเป็นการขูดเก่าขูดเก่าให้บริสุทธิ์โดนมันทุกเป็นผู้ทุกเนี่ยเปื้อน ไม่พ้นจากทุกข์องค์พ่อคูณความไม่ดีเป็นความละมุกอยู่ในอกุศลธรรมบัรลามกทั้งหลายเหล่า ไ, ไดผู้ดุดผูด้ออกวยด้วยศรัทธาและคนด้วยอกุศลละลามกหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกโอ้ชเลตินะลาก็ หมดเนื้อหมดตัวความดีไม่มีเลยเอาสังขานพุงแต่งเอาไปหมดวิชาไม่รู้พาไปเมื่อดอดไปหมวันนี้ต้องมีวิชาคือรู้จักตัวเนี่ยรู้จักตัวนี่รู้จักตัวเนี่ ย, รยประกอบขึ้นมากรรมาฐานวิชากรรมาฐาน ในวิชาที่ครบบงโจรอร์ตั้งของการกระทำไปกลมตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วไม่มีกรรมาฐานก็ไม่มีวิปัสสนาเมื่อมีวิปัสสนาก็ไม่เกิดเมตตเกิดผลกลมคือการกระทำลู่แจ้งลู่แจ้งก็ เห็นของเทนขอ ง, ของจริงมหลงไม่จริงมไม่หลงเหมือนจริงนี่คือความรู้แจ้งแล้วก็เลือกเนได้ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เหมือนจริงนี่คือความรู้แจ้งมีมีผลอย่างนี้จะเป็นเหตุเป็น ผ, นผล ไม่ใช่เหตุผลไปทำคนอื่นเหตุผลต้องเล่นงานกับตัวเองที่เกิดกั บ, กกบนมากระจายนี้เราจึงใช้เวลาให้ตามสมควรที่เรามีให้เป็นประโยชน์วินเวลา อย่าให้เวลามันเกินกินเร า, าเวลามันเกินกินเรามันก็โวดแก่เจะบตายอันนี้ก็ไหลไปสู่ความตายไม่ใช่มันอยู่นิ่งแต่ไล่ไหลจากเวลาทีนี้ให้เวลาของท่านทำความดีมีเพื่อนมีมิตร อย่าเห็นว่าชิงองินสําคัญนะเป็นเรื่องนี่เป็นความรีบด่วนน่ากลัวนะถ้ามองรู้จริงๆนะชีวิตเนี่ยวันขึ้นล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ไอทําทดีบ้างไหมความดีก็ขึ้นไหมง่ว ง, งามขึ้นไหมมีเจ็หรือว่ามีเจ็ความชั่วเกิดขึน้นก็ไม่มีค่าอะไร เหมาสมกับที่เราเกิดมายากที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนามาพบพระธรรมคำสอนที่จะพยายามสส่ใจอะไรก็อ้างออกหน้าออกตาระธรร ม, มนอื่นเรื่องอื่นจําววันกว่ ตื่นตะลึกซึ่งเตือนนมสักหน่อยให้มันได้หลักได้ฐานจะได้ให้ชีวิตถูกต้องก็ย่อให้ไปสู่ถ้าเป็นมีลูกมีหลานก็ไปติดลูกติดหลานได้ตระกูลใดที่มีธรรมะมีจิตบริสุทธิตระกูลนั่นก็เป็นพระอายุบุคคลได้ตระกูลใดที่มีธรรมะเป็นตระกูลสังฆสมาคี ก็อยู่กับโลกวายชีวิตก็ไม่มีค่าเท่าไหร่ส่วนตัวส่วนตัวแต่ได้เป็นนักบวดในชีวิตจะมีค่าไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเต็มที่ไม่ห่วงไม่มีความหวังอะไร หมดเนื้อหมดตัวเพื่อทำงานทำการให้เจมนุษย์ให้เจียโลกมีมือมีหัวใจมีขามีฉันก็นออกมาทำความดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรว ม, มก็เป็นประโยชน์เป็นพุทธเป็นสังฆา หมูเป็นคณะร่วมกันบอกความเท็จความจริงแก่ผู้ใจคนเป็นกำลังของสังฆาความจมชีของสังฆาเอิดความดีขึ้นมาแสดงให้เห็นได้ความดีมของครอบครัวก็อยู่ในตำรึงตระกูลแล้วคนหนึ่งก็พิ่งไม่ได้ ความดีของสังขาอยู่ในจิตวิญญาณของคนคิดถึงพระพุทธเจ้าก็อาจจะโบทุกโบลงบ้างคิดถึงว่ธรรมพระสงฆ์คิดถึงฐานถึงศีลคิดถึงความตายที่มีตัวตนจะได้ไม่ประมาทเวลานี่ก็ในช่วงที่พอเป็นความสะดวก ที่ีก็ขอจะสะดวกไม่ร้อนมกับที่อื่นไม่ร้อนมากก็ไม่ฝืดเครื่องเกินไปไม่พุ่งพวยเกินไปจะให้อยากให้อยู่ในป้อมปราการวลาวมาหลงจะได้รู้ขณะเดียวนะกันนั้นสมปัสจากนี้ปฏิวัติจากนี้ แต่ถ้าป่อยตัวทิ้งไปไม่อยู่ในพรมป่ากันก็มักจะเสียบเดือบ้าศึกขกาศึกเหมือนข้าศึกของโจรไม่เหมือนข้าศึกที่ตั้งทับบล็กกันของโจรมักจะพ่ายแพ้ผู้ที่เป็นข้าศึกท่างนี้ของโจรพ่ายแพ้ของโจรในมากเช่นประเทศไทยเหล่านี้ของโจรพ่ายตายข้าศึกของโจรพ่ายตาย รอบวางแลเบิดรอบยิยงรอบยอะไรงยมัก็มันก็มัน ก, นก็ตายทุกข้างไปประมาณห้าพันคนแล้วต่แต่ตเพราะค่าชิวของโจบราบาปอยย่แม่เราจะอยู่ในเทนีนทนันทาเช่นนันปราบตัวเองเนี่ยถ้าไ ป, ปราบค่าชีกันนั้นมันก็หมดเมป็นเป็นแล้ว ต้องบอกความเท็จความจริงต่อกันการอยากให้คนที่เกิดมาร่วมกันมาลู่เรื่องนี้มาลู่เรื่องนี้แล้วก็ต้องไม่มีคุกไม่มีตารางไม่มีฆ่าศึกไม่มีภยัยที่ว่าพระศีลอริเบตัยไม่มีพิษไม่มีภยทุกคนดูแลตัวเองดูแลคุ้ม มีสติดูแลกายใจคุ้มปลอดภยัยตัวเองทุกคนปลอดภัยคนถึงก็ปลอดภัยจึงว่าปลอดภัยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยทั่วโลกประเทศทั่วโลกหลังสมรวดประเทศไทยจังหวัดไหนที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศไทย7กจังหวัด จังหวัดใชายภูมินดับที่4เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อันดับที่1จังหวัดนครพนมจังหวัดที่น่าอยู่ในประเทศไทยนอกจากก็น่ากลัวอ้าวงงกว่าใช้เวลาแล้วเนะาะ